บางนะมืออื่นนะมืออื่นคูบาอาจารย์ชิมาหลายเด๊ตคูบาอาจารย์ลงปู้ลงตาชิมาหลายมืออื่นเนี่ยโดยมากจะเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดชิมาหลายและต่อพระลูกวัดผูกคาว่ามีตั้มกว่าร้อยแล้วมืออื่นนี่นะร้อยกว่าแลา้วพระแต่ว่าการ ยกชัดข้าวนี้นะกเนี่ยยกเจดีย์ยกยอดเจดีข้านี้เนะ่ะเป็นการทำงานเป็นครั้งแรกย่างเสียงพี่น้องประชาชนคนในทินบ้านห้วยไทรอำเภอคำอีนองสูงของเขาเนี่ยจะให้ความต้อนรับครับสู่ขนาดใดแต่ว่าผูกคาเบิ่งมือนี้นะโอ้เก่งยุ เออรู้สึกว่าพี่น้องลูกหลานออกตัวแติโยมอุ่นนาฝาค้างอยู่หรือว่าเฮจัดหาผี่เลอก็รู้สึกว่ า, า, วาทำใดบิดเก้าองเก้าอีปกโต๊ะปกเตียงแต่ก็ยังมะเอื่อนนี่และมะเอื่อนกน็คงจะเลี้ยงครูบาอาจารย์เนี่ยม่นครูบาอาจารย์ชั้นพัะทหารก็เลี้ยงพี่น้องญแติโยม อันนี้ยินหลายๆหมู่บ้านวันมื้ออื่นจะเอาอาหารมาพอมานอนนี้ก็ย่ง ม, มันหนาวอย่าเดียวที่อยู่บ้านอยู่เฮือนพวกนั้นแล้วจะเอาอาหารมาถวายพระสงฆ์อันนี้ผู้ค้าก็ได้ยินอยู่คิดว่าออกตนเงียบงมทุกหมู่บ้านน่ะก็คงจะเอ่อการสนับสนุนอยู่แต่าตามไม่จริงมันก็ควรจะเป็นเรื่องนั้นแหละ เพรเหตุใดเพราะเหตุว่าการสร้างเจดีย์คุณแม่แก้วคุณแม่ก็เป็นคนชาวอำเภอคำชะอีนองสูงถ้าเจะว่าไปแลวก็เป็นโฮมพห้โฮมไส่ของลูกของหลานของพวกเข้าพร้อมที่จะให้ความเคารพนับถือเพราะนั้น การจัดการจัดงานหรือว่าการสร้างเจดีคข้านี้กันเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ในเขตอำเภอคำรีนองสูงแต่ของเข้านี่เข้าทำขึ้นแบบวัวัแล้ววัยวัยเอสวัยวัเพราะนั้นผู้ค้าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผู้จัดการเรื่องจะสร้างเจดีเนี่ย กาวีทกลังบ่นอยู่เมื่อสร้างแล้วกัมีได้เบาเก่าวพี่น้องลูกหลานออกตนญาิโยมจากทิ่นต่างๆกระสร้างแล้วขึ้นมากิเป็นเจดีขึ้นมาซื้อๆกับมีได้ผู้เลมหูจักอันนี้ก็คือคอวีทกลังบ่นที่ได้ประชาสัมพันธ์ทำงานเป็นทอดทอดทำมาเป็น ท อ, ทอดมากก็คือคิดว่าเมื่อสร้างขึ้นมาระดับหนึ่งก็ยกชัดยกเจดียยกชอดย ก, ยกยอดเจดีคือข้าวนี้เราทำไปพวกครั้งต่อไปก็คงจะเป็นการบรรจุระบาดบพรลมสารีริกธาตุครั้งที่3มก็เป็นการสลองครั้งยิ่งใหญ่เราทำไป อันนี้อันนี้ก็คือตั้งเจตนาเอาไว้วันนี้ไป <c oughs> <c oughs> เออวิธีการของพวกเราในวันนี้เย็นวันนี้ก็สรุปแล้วก็คือญาติ ย, ยมไปถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะมีการประชุมอะไรไหมตอนเย็น หลวงพ่อเออถ้าหากว่ามีศรัทธาญาติโยมมาฟังเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาพูดอะไรให้ฟังทีนี้หลวงพ่อก็เลยมาพูดมาพบกับศรัทธาญาติโยมนี่แหละนะอันดับแรกหลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเราไหว้พระสวดมนต์ย่อนะอรหังสัมมาสัมพุทโธ อ, อิสวาคาโตสุปฏิปันโนนะจากนั้นก็ว่ากล่าวนโมสามจบ จากนั้นก็นั่งลงนะจากนั้นมีอะไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟังทำให้เป็นพิ ธ, ธีเพื่อกราบไหว้สักการะบูชา พ, พทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาตอนนี้ไปนั่งคุกเขา่าปนมือกราบพระพร้อมกันการาบอะระหังสัมา หลวงพ่อไปพูดที่ไหนคนคุยกันไม่ได้เลยเพราะหลวงพ่อไปภาวานามีแต่ความสงบหลวงพ่อไม่เคยคุยกับใครในเวลานั่งภาวานาเพราะนั้นเวลานั่งภาวานาต้องการความสงบเวลาพูดธรรมะให้พวกศรัทธาญาติโยมฟังก็ญาติโยมต้องตั้งอยู่ในความสงบแต่ถ้าว่าใครมีธุระจำเป็นที่จะต้องคุยกันหรือว่ามีธุระที่จะต้องพูดกันนะ ก็ออกไปคุยกันข้างนอกออกไปสนทนาไปคุยกันข้างนอก <Yeah. S 1> แต่ขณะที่นั่งฟังเนี่ยต้องอยู่ในตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าหลวงพ่อได้ศึกษามาได้ปฏิบัติมาในสถานที่สงบไม่มีใครพูดไม่มีใครคุยจึงได้รู้ ในทางสมาธิเพราะนั้นเวลานำธรรมที่ได้จากสมาธิมาพูดผู้ที่ฟังก็ต้องต้องตั้งอยู่ในความสงบถ้าว่าผู้ฟังไม่สงบพูดพูดคุยกันหลวงพ่อจะพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าเพราะเสียงมันรบกวน ใครมีโทรศัพท์ก็ปิดไว้นะมันเป็นการบรบกวนคนอื่นเขาถ้าหาว่าอยากจะฟังธรรมะต้องปิดโทรศัพท์ไว้เพื่อไม่ให้บรบกวนคนอื่นเขาไม่ให้บรบกวนหลวงพ่อด้วยอพราะนั้นการฟังธรรมะก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะว่าธรรมะนี่คนพูดก็ตั้งใจพูดพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ แต่เมื่อผู้ฟังไม่เข้าใจไม่ตั้งใจฟังการพูดก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะ น, นั้นการฟังหรือการพูดทั้งสองท่านคนพูดก็ตั้งใจพูดเพื่อจะให้ผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังก็ตั้งใจฟังเพื่ออยากจะรู้ธรรมะหรือว่านำไปประพฤติปฏิบัติอันนี้ท่านว่า ส, สุสังลัสเตปัญญง ผู้ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาเาะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตั้งใจฟังนะหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังนะละวันพรุ่ ง, งนี้พิธีการของพวกเราตอนเช้าคงจะบินทบาทเจ็ดโมงเจ็ดโมงบินทบาทแล้วก็ฉันปตฐ า, าร ศรัทธาญาติโยมก็เลี้ยงกันอาจตามัตยายาใสแล้วก็เก้าโมงเก้าโมงคือสามโมงเชา้าเก้าโมงยี่สิบเก้านาทีอันนี้เพียงพูดเพียงประมาณนะถ้าเป็นไปได้ถ้ามันเละกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ถือเลือกถือเลืกอลกงามยามดีอยู่แล้วถ้าทําดีเวลาไหนเป็นเลือกงามยามดีทั้งนั้นแต่นี่เรากําหนดไว้อย่างนั้นไว้ก่อน แต่ถ้ามันช้ามีความจำเป็นจะต้องช้าจะต้องเลดไปก็เลดไปได้แต่ถ้ามันจะเร็วกว่านั้นเราก็เร็วได้นะแต่นี่เรากะเอาไว้ว่าเก้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีอ่าอันนี้ใครเข า, าเป็นขีดเส้นเอาไว้สำหรับพวกเราที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ในช่วงนั้นนะถ้าหากว่ามันไม่ได้มันมีความจำเป็น มันช้าฉันยังหันยังไม่เสร็จพระล้างบาทยังไม่เสร็จ อ, อ่นี่เราจะไปรีบได้ยังไงก็ต้องเหลเวลาไปอเองเพราะว่าเราไม่ได้ถือเรื่องงามยามดีเวลาทําดีเวลาใด เ, เดือนใดปีใดคู่ใดขณะใดคู่นั่นแหละณะนั่นแล เ, เวลานั่นแหลวันนั่นแล เดือนนั่นแหละปีนั่นแหละเป็นปีดีเดือนดีวันดีเวลาดีครู่ดีขณะดีนะถ้าเราทําทําชั่วก็เช่นเดียวกันนะั่นนะแตถ้าเราทําชั่วก็ปีก็ชั่วเดือนก็ชั่วถ้าว่าเราทําชั่วนะเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาถ้าว่าทําดีเวลาใดนั่นแหละเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้น ที่ลวงพ่อกะไว้เก้านาฬิกา29นาทีนัน้นเป็นเวลาที่ว่าให้เดินตามนั้นถ้าเดินตามไม่ได้ก็ต้องเลทออกไปหรือถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะอันนี้เมื่อเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็คงจะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็คงจะเสร็จพิธีในวันพรุ่งนี้นะและก็ต่อไปอีกทีนีวันที่22 จำไว้นะออกตอนญาติโยมทุกท่านนะวันที่22มกราคม2549นะปีหน้าว่างั้นเถอะ2549จะมีการบรรจุพระบระมสาลีลิขาตานิบนดเจดีแล้วก็พร้อมกัรกบรรจุพระพระธาตุของพระอรหันตศาสาวพพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกบรรจอุอยู่ข้างบน นะนะแล้วก็ทีแรกที่ไปชุมหาฤรือกันอยู่ที่นี่ <c oughs> เราก็คิดว่าคงจะบรรจุอธิธษฐานของคุณแม่ชีกแก้วคุณแม่ของเราไว้ข้างบนที่หาฤรือกันครั้งแรกแต่หลวงพ่อกลับไปถึงวัดแล้วไปพิจารณาดูเรายังอยู่ในโลกสมมุติคุณแม่เป็นผู้หญิง แล้วจะเอาอธิธาต์ขึ้นไปไว้บนยอดเจดีแล้วครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตามหาบัวที่ท่านที่คุณแม่เคารพนับถือหรือครูบาอาจารย์องค์อื่นที่ท่านเข้ามาอยู่มาบรรจุอธิธาต์หรือเข้ามาชมมาดูในเจดีอธิธาต์หรือกระดูกของคุณแม่อยู่บนยอดเจดีดูแล้วไม่คงจะไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นพวกเราที่บรรจุอัธิธาตุคุณแม่อยู่ข้างบนยอดเจดีย์ก็คิดว่าคงไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงได้เปลี่ยนใหม่จึงที่เอาบรรจุอธัธิพระบรมสาลีริกธาตุอยู่บนเจดีย์แล้วก็อรจุบรรจุอธิธาตุของคุณแม่อยู่ในแท่นอยู่ในแท่นเจดีย์ของท่านนะ จากนั้นก็คงจะเป็นอธิธาต์พระาธาตุของคุณแม่ที่เป็นแก้วนะก็คงจะเอามาให้คนกราบคนไหว้ในข้างแล้วในบริเวณที่นั่งของท่านนั่นแหละอันนี้ก็ความเป็นมาของเจดีนะแต่วันที่สิบแปดมิถุนานะเป็นวันที่ฉลองใหญ่แ้ววันนั้น วันที่18มิถุนา 2,549 นะนะเป็นวันที่พวกเราจะฉลองเจดีของคุณแม่ก็พร้อมกันก็คงจะนิมนต์องค์หลวงตามหาบัวมาเป็นผู้บรรจุอธิธาานแล้วก็เป็นองค์แสดงธรรมนะถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะก็เป็นวันเป็นอันว่าเสร็จพิธีแล้วทีนี้เจดี JD ของเจดีของคุณแม่ก็ คงจะไม่มีอะไรจากนั้นก็เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นปูชนียสถานของจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเป็นชาวโลกทั้งหมดเพราะงั้นแ่พอสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดหลวงพ่อไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของของหลวงพ่อนะเจดีเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติกลางเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เป็นสมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเจดี JD ของคุณแม่ชีแก้วเนี่ยเจดี JD ของอุบาสิกาเจดี JD ของผู้หญิงยังไม่เคยมีใครเคยเห็นบ้างไหมแต่ว่าเคยเห็นแต่ไม่ใช่ใหญ่ถึงขนาดนี้ก็เคยมีอยู่เห็นเจดีระดับธรรมดา แต่ JD ดีครั้งนี้เป็นเจดีใหญ่ใช้งบทั้งหมดสิบกว่าล้านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นมีแต่ใช้วัสดุอย่างดีจากของต่างประเทศก็มีอย่างโมเสกอย่างเนี้ยสีทองอย่างเนี้ยที่เราเอาไปติดวันนี้เนี่ยเป็นแก้วกระจกนะแต่เขาเชื่อมเข้าไปด้วยทองคำนะแต่ว่ากรรมวิธีของเขาเขาก็คงจะทำยากยังไงก็ไม่รู้แต่มัน ถ้ามันสีน่าไม่หลุดไม่หล่นเหลืองอลามอยู่ตลอดไปเพราะนั้นเรื่องราคาของเจดี JD, ถ้าจะว่าไปมันก็มีหลายๆอย่างประกอบกันเพราะนั้นทาเมื่อสร้างเสร็จ ข, ขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากนั้นก็ได้ ผู้คนเท่ายก็จะมากราบมาไหว้คุณแม่นะและความเป็นมาของคุณแม่พวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้ที่อยู่บ้านห้วยทรายก็คงจะไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรเหมือนกับเป็นแม่ชีแก่ๆคนหนึ่งอยู่ในวัดแต่ถึงยังไงกับเคารพอยู่แต่เคารพแบบผู้สูงอายุในชุมชนสังคมแต่ส่วนด้านจิตใจนั้น ก็คงจะไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่มีคุณธรรมมากน้อยอย่างไงแค่ไหนเพราะว่าเรื่องคุณธรรมเนี่ยไม่มีใครที่จะมาลังวัดไม่มีใครที่จะอย่างรู้ได้ว่าท่านผู้นี้มีคุณธรรมท่านผู้นี้มีเป็นอริยะบุคคลท่านผู้นี้เป็นพระอรหันต์ท่านผู้นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรง อย่างแรงกล้าไม่มีใครที่จะยางรู้ได้มีแต่ตัวเองเท่านั้นน่ะที่จะรู้ได้ว่าข้าประมาทข้าไม่นับถือข้าไม่เลื่อมใสข้าไม่เชื่อในบุญในบาปข้าคิดว่าตายแล้วศูนอย่างนี้มีแต่ใจตัวเองเป็นคนรู้ไม่มีใครรู้ทั้งสูงทั้งต่ำไม่มีใครรู้ทั้งนั้นตัวเองรู้ได้มากกว่าเพื่อนทั้งหมด เว้นเสียแต่ตัวเองจะพูดออกมาให้คนอื่นรับรู้รับทราบคนอื่นถึงจะพอจะรู้ได้เออไอ้ น, นี้อินางนี้ไม่มีเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดเขาไม่เชื่อในบาปในบุญเนีก็พงจะพงจะรู้ได้แต่ถ้างว่าไม่ไม่พูดออกมาก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าใจเขาเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนการท่านผู้ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผล เป็นอริยะบุคคลในคร้างพระพุทธเจ้าก็มีมากต่อมากไม่มีใครรู้บางทีพระพระด้วยกันก็ได้ประมาทกันอย่างท่านว่าองค์นี้ว่าเ อ, อ, อ้ยผมเออไม่ได้ทําอย่างนั้นอีกแล้ว อ, อผมไม่ได้คิดอย่างนั้นอีกแล้วอย่างนี้ ไอ้พวกหมู่ทั้งหลายก็ว่าเออองค์นี้ท่านทําทําตัวเปืนเหมือนผินพระาราหันแล้วเนี่ยอไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในพยากรเออใช่องค์นี้ท่านเป็นพระหรหันแล้วท่านไม่เป็นอย่างเก่าอีกแล้วอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้พยากรเป็นผู้บอกกล่าวอันนี้มีตังมากถ้าพวกเราศึกษาในพระไตรปิฎก จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องธรรมะในจิตใจไม่มีใครที่จะอย่างรู้กันรู้เห็นกันวัะ น, นั้นอย่างคุณแม่ชีแก้วของพวกเราท่านทั้งหลายที่สร้างเจดีย์ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเรารักเคารพนับถือแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านได้มักได้ผลอย่างไรแต่ว่า องหลวงตามหาบัวที่เราเคารพนับถือว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านหนึ่งพอเราได้ฟังจากธรรมะของท่านและกัแนวทางปฏิบัติของท่านคงเส้นคงวามาตลอดท่านเด็ดเดี่ยวมาตลอดแต่ขณะที่ท่านมาอยู่ที่บ้านห้วยทรายจากนั้นท่านก็ได้เทศนาอบรมแนะนำสั่งสอนคุณแม่ ชีแก้วคุณแม่ก็ไม่ได้ได้ปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนขององค์ท่านผลที่สุดก็ถึงความบริสุทธิ์ในจิตใจองค์หลวงตาท่านก็ยืนยันว่าเออธรรมะที่คุณแม่ชี้แก้วได้รู้ได้เห็นธรรมนั้นที่ได้ไปปรึกษาท่านนั้นได้ปรารบกับให้อ ง, อ ง, อ ง, องหลวงองค์หลวงตาฟังนั้น องหลงตารับรองว่าถ้าว่าถึงขั้นนี้แล้วแปลว่าจิตใจบริสุทธิ์จิตใจหมดจดจากกิเลสท่านก็รับรองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วท่านเป็นอย่างไรคุณแม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือท่านรับรองพวกเราได้เห็นในหนังสือแนวทางปฏิบัติของท่านแต่ตอนนี้พอท่านล่วงลับดับขันไป ปีสองพจากนั้นต่างคนก็ต่างาได้เก็บอัธิธฐานของท่านแจกจ่ายกันไปบ้างเป็นบางส่วนเพื่อไปเก็บไว้สักการะบูชาแต่ต่างคนก็ต่างได้นํามาพูดมาเล่ามาก่าวให้หลวงพ่อฟังว่าอธิธฐานของคุณแม่ได้กลายเป็นพระาธาตุหลวงพ่อก็ได้เห็นกับตาได้หลายคนที่เขาเอามาให้ดูก็เป็นลักษณะเหมือนกัน เป็นลักษณะเป็นแก้วแต่ไม่ใช่แก้วที่ใสแจ๋วนะเป็นแก้วเป็นเม็ดกลมแต่ขุนๆเป็นเม็ดแก้วแต่คนที่เอานำมานั้นเป็นคนที่เชื่อถือได้ทั้งหมดไม่ใช่คนชอบอวดชอบอ้างไม่ใช่อย่างนั้น เ, เมื่อเห็นเมื่อกี้นี่ครั้งสุดท้ายคือเห็นอธิษฐานของคุณแม่อยู่กับท่านอาจารย์สุธรรมบ้านน้องไผ่ แล้ววันพุ่งนี้ท่านก็คงจะมานะมาในงานวันพุ่งนี้ท่านก็คงจะมาและพอท่านได้เอาให้ใหลวงพ่อดูท่านก็ตกใจทําั้นะทั้งดีใจเ่าไงแนตะ่ถ้าท่านได้แจ ก, กวันนั้นน่ได้มาเก็บบัิธาตุของคุณแม่วันนั้นฝนตกแรงนะพอเผาประชุมเพลิงคุณแม่ไปแล้วประมาณทัก 4-5 สี่ห้าทุ่มเนะี่ยฝนลงอย่างแรงเท่าั้นตะ่จนไฟมอดดับ แต่ก็กระดูกของท่านก็ไหม้หมดแล้วละ่ะไอ้พวกนั้นก <g rab ble> ระดูกของท่านก็เลยรู้สึกว่าจะสีเก็บด้วยความยากลําบากเพราะมันเป็นคีเทาหรือว่าเป็นฐานดำเพราะฝนตกแรงเพราะฝนไม่ตกนานเหมือนกันแตฝนเราจัดงานคุณแม่เท่านั้นก็กลัวฝนเหมือนกันฮคล้ายๆกับ <c ười> ว, ว่าบารมีคุณแม่เดอ้อย่าให้ฝนตกเด้อ ถ้าเยอยอยังไงไงก็ให้เผาเสร็จคุณแม่ซะก่อนถ้าจะตกค่อยตกแต่ถ้าว่าฝนตกในขณะที่งานศพคุณแม่ยังอยู่เนี่ ย, ยก็โครงงานทุกอย่างก็คงจะไม่เรียบร้อยไปได้เพราะฝนตกแล้ว <c oughs> ครูบาอาจารย์จัตไาญาติโยมมาร่วมเผาศพเนี่ยก็คงจะยากลําบากเออแต่ถ้าฝ น, นก็หยุดไม่ตกนะพอเคืนนั้นพอเผาคุณแม่เสร็จเรียบร้อย ไปพอมเป็นวันที่ยี่สิบกว่าของเดือนมิถุนายนมันเป็นหน้าฝนอยู่แล้วนะจากนั้นฝนก็ลงอย่างแรงเลยในคืนนั้นจากนั้นก็พอมพากันพวกหลวงพอ่อเนี่ยละกับหมู่พระทั้งหลายก็ร่วมกันเก็บอธิธานจากนั้นก็ได้แบ่งกันแ้กกันเป็นบางส่วนแต่ก็เก็บไว้เป็นส่วนมาก การเก็บไว้อธิธฐานในครั้งนั้นก็ใส่โถนะโถหินอ่อนก็ไปฝากไว้กับหลวงพ่ออุ่นวัดป่ากแก้วชุมพลแล้วไปไว้ที่ใต้ถุนเจดีย์ของหลวงปู่สิงทองวัดป่ากแก้วชุมพลแต่บางส่วนก็ได้แบ่งกันเอาไปเก็บไว้สักการะบูชาเพราะ <S <S น, นั้นต่างองค์ต่างคนที่ได้รับไปก็กลายเป็นพระธาตุ แต่หลวงพ่อก็เห็นว่าในขณะที่เราจะสร้างเจดีย์ใหญ่และอธิธษฐานของคุณแม่ก็อยู่ที่ใต้ถุนวัดป่าแก้วชุมพลใครอยากจะเปิดดูเขาไปเปิดดูได้อย่างนี้จะตั้งอยู่ในตู้กระจกหลวงพ่ อ, อ, อคงจะไม่เป็นผลดีออผมพ่อก็คงจะวิตกกังวลไปมากสักหน่อยก็ไม่รู้ว่างั้นเถอะ แต่ถ้าหากว่าเมื่อสร้างเจดีเสร็จแล้วอธิธาตของคุณแม่หายไม่มีอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยได้ปรึกษากับคณะสัตธธายาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอเพ็ญศรีนะแล้วก็สัตธยธาติโยมก็ควรจะไปขออธิธาต์ของหลวงปู่อุ่นไปเก็บไว้ให้เป็นสัดส่วน จากนั้นก็เลยเข้าไปขอท่านๆก็อนุญาตให้หลวงพ่อก็ได้เก็บอธิธฐานของคุณแม่ไปไว้ที่วัดป่านาคำน้อยก็ใส่ตู้เซฟตั้งแต่ไปถึงแล้วงั้นเถะจากนั้นก็ยังไม่เคยเปิดอีกเลยกระทั่งเดี๋ยวนี้ เ, เก็บไว้ในตู้เซฟอยูอ่จนกว่าจะบรรจุเมื่อไหร่คิดว่าคงจะเปิดออกมาจากตักจากตู้เซฟวันนั้นพราะนั้นหลวงพ่อ เมื่อสร้างเจดีขึ้นมาหลวงพ่อก็มั่นใจว่าอธิษฐานของคุณแม่เนี่ยยังครบบริบูรณ์อยู่กับหลวงพ่อเองอย่างนั้นก็คงจะได้มาบรรจุอธิษฐานของคุณแม่อยู่บนเจดีแห่งนี้แต่ว่าอธิษฐานของคุณแม่เนี่ยที่บางที่ท่านบางคนเอาไปนั้นได้กลายเป็นพระธาตุจริงๆเออไม่ใช่พูดโกหกไม่ใช่พูดเล่น แล้วกับคนที่ถือไปที่ได้ไปก็เป็นคนบุคคลที่เชื่อถือได้ทุกคนที่เอามาอ้างอิงให้หลวงพ่อดูนะถ้าว่าอธิธาได้กลายเป็นพระธาตุอย่างนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นกระดูกเป็นพระธาตุแต่นี้ยคุณแม่ของที่แม่คุณแม่ชีแก้วของเรา คณะที่ท่านได้สำเร็จมรรคผลลวงตามหาบัวท่านก็ยืนยันนะว่าท่านปฏิบัติถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจากนั้นเราก็ยังฟังฟังอยู่แต่ทีนี้พอท่านล่วงลับไปเมื่อปี2534นาอามนามรูปประธรรมของท่านรูปประธรรมคือร่างกายของท่านสินส่วนของท่านอธิธาต์ของท่าน ได้กลายเป็นพระาธาตุอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งหลายได้เห็นเป็นสักขีพยานก็เป็นอันว่าพวกเรามั่นใจเชื่อว่าคุณแม่เป็นพระอรหันต์แน่อย่างที่องค์หลวงตารับรองเพราะฉะนั้นคณะกรรมการจึงได้ตกลงกันเป็นเอกฉันสร้างเจดีย์ของคุณแม่ขึ้นมาการสร้างเจดีย์คุณแม่ขึ้นมาเนี่ย สร้างด้วยจิตด้วยใจเดิมพัน์ด้วยใจจริงๆการประชุมหารลือกันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นมาตลอดตลอดถึงที่ดงที่ดินที่จะสร้างตลอดถึงวัสดุที่จะมาทำตลอดถึงคณะช่างผู้รับเหมาหลวงพ่อในเย็นก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะหนักใจ พทุกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือมาตลอดเพราะนั้นเจดีย์ของคุณแม่ที่เราสร้างขึ้นมานี้สร้างด้วยจิตด้วยใจต่า่าพวกเราลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนที่มาในงานในครั้งนี้นะที่จะร่วมสมทบมากน้อยก็ไม่ว่ากัน แต่ตามไม่จริงก็น่าจะมีพอการสร้างเจดีทั้งทีทั้งองค์พวกเราควรจะมีส่วนร่วมถ้ามีส่วนร่วมแล้วตั้งปาความปรารถนาเอ า, านะใครอยากจะปรารถนาเอาอะไรเมื่อได้สร้างเจดีของพระอรหันต์ปรารถนาขอให้ข้าพเจ้ามีความร่มเย็นเป็นสุขร่ำํำรวยโชคดีอะไรถ้าไม่เหลือวิสัยนะถ้าไม่เหลือวิสัยถ้าไม่เกินไป ความปรารถนานั้นก็จะสมสำเร็จสมความมุ่ง ม, มาตนปรารถนาแต่ถ้าว่าบางทีเราบริจาคน้อยเราเชื่อบางไม่เชื่อบางและพอเราเราตั้งความปรารถนาการปรารถนานั้นอาจจะไม่สำเร็จเพราะว่ามันไม่เต็มเปี่ยมถ้าว่ามีความเต็มเปี่ยมในจิตใจนะถึงจะมีวัตถุน้อย เ, อเงินคำทรัพสมบัติน้อยแต่ว่า เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจด้วยความเชื่อด้วยศรัทธาการปรารถนาสิ่งนั้นก็ก็คงจะสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาอย่างหลวงพ่อนี่เชื่อนะเชื่อในการทําบุญทําทานในเมื่อการทําบุญทําทานเราทําลงไปแล้วขอให้ทําด้วยความจริงจังด้วยความจริงใจไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรทั้งหมด ในสิ่งภายนอกแต่เราหวังเพื่อมักเพื่อผลอะไรก็ได้ขอให้สำเร็จสมคุมความมุ่ง ม, มาตนปรารถนาด้วยเงินคำทรัพสมบัติจะทำยังไงถึงจะให้ชีวิตของเราเรียบร้อยราบรื่นไม่ทุกข์กระทำลำบากขอให้สำเร็จสมคุมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาแต่ว่าเมื่อเราคิดอย่างนั้นเราทำอย่างนั้น เราตั้งใจอย่างนั้นรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้วยความราบรื่นมาตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาสร้างเจดีย์คุณแม่ในครั้งนี้ได้มาตากแดดตากลมในครั้งนี้เมื่อสร้างเจดีย์ยกยอดเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะปราถนา หาความสุขความเจริญในธรรม อ, อย่าให้มีอุปสรรคในการทำมาหาเลี้ยงชีพ เ, เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะอันนี้ก็คือถ้าว่าเราปรารถนาในถูกต้องในศีลธรรมนะความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จแต่ถ้าว่าเร า, เาปรารถน า, าในสิ่งที่ไม่ดี ก็อาจจะสำเร็จได้แต่ว่ามันเป็นผลสืบเนื่องเราจะเป็นทุกต่อไปอย่างสมัยหนึ่งนะหลานของอนาถาเมดิกาเศรษฐีชื่อในชาติชายหรืออะไรนี่ลหละไอ้หลวงพ่อก็จำไม่ได้จไม่ค่อยแม่นนะหลานอนาถาเมดิกาเศรษฐีเกิดมาชาตินี้เป็นคนเจ้าชู้ พอไปที่ไหนผู้หญิงเห็นนี่รักหมดไ ม, ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครเออแปลว่าไม่เลือกหน า, าถ้าพูดอย่างทุกช้ามัญชนเขาก็ว่าคําไม่มีหางกันแปลว่าเป็นลูกเป็นเมียหมดเพระงั้นจ้ะไม่เลือกว่าใครเป็นใครทีนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกรธสน ทาหารทั้งหลายตำรวจทั้งหลายเขาก็จับสินี้เพราะว่าไอ้เนี่ยไปมีโชว์กับเมียเขาบ้างไปลูกเขาบ้างจับอดตรลดพอจับมาแล้วสินี่เขาก็เออเป็นหลานอนาถาป็นดีกะเพราะเป็นคนมีหน้ามีตาในชุมชนสังคมจะไปจับมันหรือเข้าคุกหรือก็คงจะไม่มเหมาะเขาก็ปล่อยออกมาปล่อยมากก็อย่าทำอีกนะต่อไปเนี่ย ถ้าทำอีกไม่ได้นะจับนะก็ก็จะรู้ยังไงเพราะผู้หญิงทั้งหลายออให้ท้ายเขาเหาือนกันเถอะพราะในส่วนไอ้ชาติชายนี่ก็เป็นอีกอย่างเก่าถึงสองสามครั้งทีนี้กับพระยาะเปรเสซนที่กโกศลเออันนี้มันทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายควรจะจัดการมันด้วยอยังไงอันนี้มันก็เกรงใจ อาณาถาบดิกเศรษฐีเนี่ยเป็นคนมีบุญคุณต่อประเทศชาติเราจะไปจัดการยังไงทีนี้พอถึงหูอาณาถาบดิกาเศรษฐีอาณาถาบดิกเศรษฐีก็เลยพาหลานชายคนนี้ไปเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เทศให้ฟังการไปทำอย่างนั้นไม่ดีนะลูกสามีพามีพัลูกเขา ปัญญาเขาเขาก็รักสงวนหวงแหนเหมือนของเรานั่นแหละถ้าเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาำทาทําให้แก่เราละ่ะเราจะเสียใจไหมเพราะฉนั้นต้องคิดดูให้ดีพระพุทธองค์เทศชนาว่าการให้ฟังเขาได้สําเร็จพระโส ด, ดาบันเออไปว่ามีศีลห้าตลอดไปละบัานี่ไปว่าเรื่องตัวนั้นไปนว่าขาดเด็ดขาดเลยว่าทีน่นี่เออขาดเด็ดขาดไปเลย เขาเป็นพร ะ, ะอริยะอะไรได้บ้างเนี่ยอ ร, อริยะบุคคลพระโสดาบันแล้วทตนี้เมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วเขาหยุดเด็ดขาดพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าเอ๊ะเป็นบุพกรรมอะไรของเขาเขาจึงได้เป็นคนอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติของนายคนเนี้ยในสขัดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะ พระพุทธเจ้าปัสสะปรินิพานเขาก็สร้างเจดีพอสร้างเจดีเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ประกาศหาคนที่ใครเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงที่จะยกฉัดคือยกเศรษฐฉัดขึ้นไปปักบนยอดเจดีคงจะไม่มีเคนอย่างพวกเราเห็นอย่งั้นเถอะเออคงอาศัยคนที่มีกำลังมากแล้วก็คนหนึ่งที่เด็ดเดี่ยวขึ้นไปเอาฉัด ปักบนยอดเจดีเขาก็เห็นเนี่ยไอชาติชายเนี่ยเป็นคนกำยำแข็งแรงเป็นนักมวยเอกในยุคสมัยนั้นอีกว่างั้นเน่ยเป็นนักมวยเอกเออเป็นผู้คล่องแคล่วเขาก็ตะแกก็อาสาสมัครเลยผมเองครับจะขึ้นไปยกว่างั้นเขาก็เลยให้หนายชาติชายเนี่ยขึ้นไปยกยกไปปักบนยอดเจดีแล้วก็มีธงด้วยนะ โบจดชัดพอยกชัดก็มีธงด้วยใหชาติชายก็พอลงมาแล้วก็กาบพระเจดีตั้งตั้งความปรารถนาในชาตินั้นคงนายชาติชายคงจะผู้หญิงทั้งหลายสาวทั้งหลายคงจะเมินนายชาติชายเพราะงั้นะคงจะเป็นคนแข็งแรงแต่กำยำออลูบล่างอั ป, ปลักษณ์เน่บางอย่างเะงั้นเะนายชาติชายออสาวไม่มองนะพูดง่ายง่ายเพราะงันะ แต่นีพอลงมากราบพระเจดีย์ก็ตั้งจิตอธิษฐานสาธุน์ข้าพเจ้าเกิดพบนาชาติหน้าได้มีพบมีชาติชาติต่อไปถ้าว่าผู้หญิงเห็นผู้ค่าเห็นเราเนี่ยให้จิตใจไกวแกว่งเหมือนกับหางธงเหมือนกับธงสบัสดิอยู่บนยอดเจดีย์คือยงอยู่บอดเจดีย์เราเห็นไหมวันนี้ มันสะบัดอยู่ตลอดแบบนั้นเถอะอันนี้ก็เหมือนกันในชาติชายปาถนาอย่างนั้นถ้าผู้ใดท่าว่าผู้หญิงเห็นข่าเนี่ยถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องแล้วก็เห็นข่าแล้วก็ให้จิตใจไกวแกลงเหมือนกับเห็นทงบนยอดเจดีย์แต่ในชาตินั้นท่านก็คงจะล่วงรับดับขันไป แต่ทีนี้ต่อมาอีกทีนีเน้เกิดมาพบหน้าชาติหน้าทีนีเน้เป็นอย่างที่ว่าจริงๆทีนีอผู้หญิงทั้งหลายเห็นใจสะบัดเลยอย่างั้นเถอะจิตใจจิตใจกวยแขว่งเลยงั้นเถอะเออพราะอนี้มาชาตินี้นายชาติชายก็เลยนี้แหละกรรมเก่าตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างนั้นเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เลยเป็นมาอย่างนี้แหละ เกือบพญาประเสิทิ์ฆ่าทิ้งว่างั้นเถอะเออดยังเป็นหลานอนาถามินติกาเศรษฐีอคงจะบุญเก่าเขาก็ค้ำอีกค้ำไว้อี ก, อกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันว่างั้นเถอะแต่ตามไม่จริงถ้าว่านายชาติชายนะไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะเ อ, อถ้าว่าคงจะลงนรกอีกเหมือนกันนะเ อ, อกรรมเก่าก็กรรมเถอะเพราะกรรมทําไม่ดีแล้วเ อ, อแต่ว่ากรรมดีพอเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ากรรมชั่วที่ทําเนี่ย มันจะต้องตกนรกอีกแต่อันนี้ยังในชาติชายนับว่าเป็นผู้มีบุญเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะอันนี้คือตั้งถ้าว่าเรายกฉัดแล้วยกเจดีในการสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้นะถ้าเราปรารถนาเอาสิ่งที่มันไม่ดีอย่างที่ในชาติชายเป็นตัวอย่างเนี่ยกเกคงจะลักษณะ ลักษณะได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปปราดเอาธนาเอานะสิ่งที่สิ่งไม่ดีอย่างนั้นคงจะปราดให้ปราดธนาเอาสิ่งที่มันดีเออขอให้พบหน้าชาติหน้าเกิดในพบใดชาติใดขอให้ผู้ฆ่าพบคนดีถ้าว่าผู้ฆ่ายังมีพบมีชาติอยู่ขอให้พบคนดีเกิดมาพบใดชาติใดคาว่าอดอยากผู้ฆ่าจะได้มี ให้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความอบเย็นอกเย็นใจไปในสถานที่ใดให้พบแต่คนดีจนถึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอย่าให้ผู้ค่าได้ตกทุกข์ได้ยากในการสั่งสมบูรณ์กุศลในครั้งนี้นะเพราะนั้นให้พวกเราที่จะยกชัดยดยอดเจดีในครั้งนี้ แล้วก็พร้อมกันก็สร้างบุญสร้างกุศลมีถวายพัะทหารพระสงฆ์จากนั้นก็ได้ทําบุญทําทานตั้งจิตอธิษฐานได้กราบได้ไหว้หลวงพ่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราเพราะคุณแม่ท่านก็ถ้าจะว่าไปกระดูกของท่านเป็นพระอรหันต์แต่ส่วนจิตใจของท่านนั้นไม่มีใครที่จะยังรู้ว่าท่านได้เป็นขั้นไหนอย่างไร แต่รู ป, ปรธรรมของท่านที่เป็นอธิธฐานนั้นท่านยืนยันออกมาแล้วพวกเราได้เห็นว่ากระดูกของท่านเป็นเม็ดเป็นก้อนขึ้นมาในหลักของพุทธศาสนาก็ยืนยันว่ากระดูกเป็นเม็ดเป็นก้อนอย่างนี้คือกระดูกของพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วเพราะนั้นพวกเราถ้าจะว่าไปถ้าเอายืนยันตามรู ป, ปรธรรมแล้วพวกเราก็ได้สร้างพระเจดีย์ เพื่อบรรจุอธิธาต์ของพระอรหันต์พระอรหันต์ทำไมจึงสร้างเจดีเพราะว่าการสร้างเจดีในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถูประหะบุคคลสี่จำพวกที่สมควรที่จะสร้างสัททุปพระเจดีคือพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้ า, พ ร, พ, จาพระอรหันต์สาวกพระเจ้าจากักรพรรดิ อย่างคุแม่ของเราเป็นผู้ที่สามคือพระอรหันต์สาวกสมควรที่จะสร้างสถูปพระเจดีเพื่อบรรจุอธิษฐานขององค์ท่านแต่ถ้าว่าสามัญชนธรรมดาทำไมพระพุทธพระองค์จึงไม่กล่าวถึงไม่พูดถึงพูดถึงแต่พระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดินี้เป็นปูตุชนอยู่แต่ว่าท่านผู้มีเป็นคุณธรรมเป็นผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ไปนสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุกสอนคนให้ปร ะ, ประพฤติปฏิบัติแต่ศีลและธรรมคนทั้งหลายยกย่องนับถือเมื่อท่านสวรรคตไปแล้วเมื่อไปชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บันจุอธิธฐานของพระเจ้าจากักรพรรดิไว้คนทั้งหลายก็ไปกราบไปไหว้เออข้าพระเจ้าไปกราบกระดูกอธิธานของพระเจ้าจากักรพรรดิ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้ากับจักรพรรดิทำตัวอย่างไรเพราะผู้เจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีศีลห้าเป็นพื้นฐานเป็นผู้มีศีลอุมโมสดทุกวันพระอันนี้คือจริยาวัตรของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีเมตตาไปณสถานที่ใดมีแต่การสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้แก่ชุมชนพี่น้องประชาชนชาวโลกไปที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้น เมื่อสร้างเจดีย์บรรจุอธิธาตุพระเจ้าจากักรพรรดิคนก็ปรารถนาอยากจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพื่อได้กราบได้ไวาถ์พระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้ากับจกักรพรรดิเป็นผู้มีเมตตาต่อปวงชนเขาร่มเย็นเป็นสุขเพราะบุญวาสนาะบารมีของพระเจ้าจากักรพรรดิคลุมครองอันนี้คนที่สร้างเจดีพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ได้กราบได้ไวาถ์เป็นบุญเป็นกุศลของเขาแต่ในท่ามพระหันพระหันสาวก ท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วท่านไม่มาเวียนไหว้าตายเกิดอีกแล้วท่านหลุดพ้นไปแล้วจากกิเลสไม่มากลับมาอีกมาเกิดอีกเมื่อสร้างพระเจดีย์บรรจุอติธาต์ของท่านพวกเ ร, ร า, ารได้กราบได้ไหว้ก็เป็นบุญกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่จากพระปเจดีพระเจเจ้าพระพุทธเจ้าก็ท่านก็หมดจดจากกิเลสเหมือนกัน วันนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะบรที่จะสร้างสัทและเจดีย์ไว้ในทางสี่แผ่งคนทั้งหลายจะได้กราบได้ไหว้สักการะบูชาอันนี้คือเป็นเหตุแห่งการสร้างเจดีย์แต่สามัญชนธรรมดาทำไมทำไมไม่สร้างเพราะว่าสามัญชนธรรมดาเนี่ยหลวงปู่บุญมีหลวงปู่มหาบุญ ม, ม, ม, มีนะ ที่ท่านพูดให้ฟังก็มีเหตุผลของท่านท่านบอกว่าคนที่มีจิตใจยังมีกิเลสอยู่ในเมื่อไปสร้างหงซวยหรือไปสร้างสถทูบหรือไปสร้างธาตุมาเตรียมไว้สำหรับใส่กระดูกตัวเองเพราะก่อนตายเราก็คิดแล้วว่ากระดูกข้องข่าเน่ยจะอยู่ข้างกาแพงนี่แหละเจาะรูเอาไว้หรือเสาโบสนี่แหละจะอยู่ วิญญาณของตัวเองจะต้องอกระดูกของตัวเองจะมาอยู่ตรงนั้นแหละเราคงช่วยนั่นแหละอย่างเนี้ยแต่เมื่อตายไปแล้วเขาเอาไปฝังตรงนั้นจากที่เราได้เตรียมเอาอไว้แล้วทีนี้จิตใจขณะที่ก่อนตายก็คิดอยู่แล้วว่าเมื่อข้าตายไปแล้วข้าจะต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉนั้นเขาเอาไปเอาไปไว้ตรงนั้นวิญญาณก็คงจะไปเกาะ อ, อยู่ตรงนั้นอีกท่าไหร่ไปยึดอยู่ตรงนั้นอีกไม่ได้ไปที่ไหน พอจิตใจมันมันคิดไปก่อนแล้วไปเกาะ อ, อยู่ตรงนั้นไปติดอยู่ตรงนั้นกว่ากระดูกแค่งตัวเองจะสลายกายเป็นดินไปวิญญาณดวงนั้นจึงจะไปหาปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นอีกด้วยบุญกุศลที่ตัวเองได้กระทำไว้เพราะนั้นท่านจึงไม่ให้สร้างสถูปและเจดีย์บรรจุอติษฐานสามัญชนธรรมดาเพราะสามัญชนธรรมดามีจิตใจที่จะคล่องแวะ ที่จะมาเกิดที่จะมาปฏิสนธิหรือมายึดถืออในกระดูกของของคนอันนี้ก็คือหลวงปู่มหาบุญมีที่ท่านให้เหตุผลหลวงพ่อได้ฟังแต่องค์อื่นท่านของบ๊วยบ้านะแต่หลวงปู่มหาบุญมีท่านพูดอย่างนี้ให้ฟังหลวงพ่อก็เออฟังขึ้นว่างั้นเถอะต่อมาอกีกเมื่อไม่นานมาเนี่ยเมื่อสองสามปีให้หลังเนี่ยหลวงหลวงปู่จามเนี่ย ที่บ้านห้วยทายของเราเนี่ย <c oughs> ท่านมาอยู่ห้วยทายและระยะหนึ่งท่านก็เห็นธาตุนะธาตุทีท่หน้าวัดของท่านที่พวกเราเห็นนะ่ะที่เรียงเป็นลําดับนะ่ะตะก่อนวางกันละเกะและกะใครจะวางที่ไหนก็วางวางที่ไหนก็วางถ้าไม่ทําไม่เชื่อลุงพ่อก็ถามพี่น้องบ้านห้วยสายดูสินะแล้ววางละเกจแะกะไปหมดเลยเนี่ยล้มปูจามท่านก็เลยจัดระบบจัดระบบธาตุแบบนั้นเถอท่นี่ ท่านก็เลยหาคนมาย้ายธาดตอเล็กธาดน้อยให้เป็นกลุ่มของไครของเราว่างอนกันถอะธาดใหญ่ก็ไปกลุ่มไว้กลุ่มหนึ่งธาตุเล็กก็ไว้แถวเป็นแถวเป็นแถวเหมือนกันทีนี้ท่านก็ไปเห็นธาดอันหนึ่งท่านเปิดขึ้นมาท่านเห็นหอยหอยเหลืองนะนะท่านภาษาทางนี้เขาเรียกว่าหอยเหลืออแต่ตามมาจริงกะว่าหอย หอยนะั้ไม่มีไม่มีปากปิดนะหอยลูกก้อนใหญ่ๆนะมันอยู่ในทาตนั้นสามสี่ตัวมันตายแล้วนะมันตายเลยมีแต่เปลือกของมันอยู่ในทาตนั่นนะแต่นี่ท่านท่านก่อนที่นั้นท่านก็ยกขึ้นมาใช่ไหมยกขึ้นมาเพื่อจะมันหนักนะคงจะแบ่งส่วนกันนะ่ะมาเห็นหอยเห็นหอยเอา้าหอยนั้นมันเข้ามาทางไหน สูว่ามันเข้ามาจากไหนหอยก้อนหอยหอยหมูนี่มันตายกองอยู่ข้างในก็ลเลยปิดลงอีกปิดลงอีกดูอีกดูรอบข้างดูรอบข้างมันเข้าไม่ได้ไม่มีมันไ ม, ม่มีที่จะเข้าเพราะเจดีมันไม่แตกไงมันเข้าที่ตรงไหนเพในสุดก็เลยท่านก็เลยสันนิฐานนะว่าหอยตัวนี้นะ่ะมันคงจะเป็นเจ้าของกระดูกมันมาเกิดขึ้นมาแบบเออ โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเองคือวิญญาณมันมาติดมาขัดแล้วก็มาเกิดขึ้นเองเออพอมาเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นหอยตายไปอีกมันก็นยังห่วงกระดูกอีกเกิดเป็นหอยอีกเป็นหอยหมดอายุตายแล้วอีกเกิดเป็นหอยอีกเพราะว่าการเป็นห่วงกระดูกของตัวเองอันนี้เราบอกปฏิสนธิโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเพราะว่ากำเนิดเกิดของ สัพสัตทั้งหลายมีอยู่สชลาพุชะเกิดในครันอันทชะเกิดในไข่สังเสริะชาเกิดในสิ่งสกปรกหมักหมมโอปปาติกะเกิดผดขึ้นนะนนี้คือกำเนิดของวิญญาณที่จะต้องเกิดอันนี้หลวงปู่ทา่านกล่ว่าอันนี้คงจะเป็นโอปปาติกะมันเกิดขึ้นออของมันเองแล้วก็ยึดมัน่น อันนี้ก็ไม่มีใครที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ตามไม่จริงการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้ายืนยันในพระไตรปิฎกในธรมรมปะทัศกะถาก็พอจะยืนพอจะเข้าแนวแถวกันได้ว่าสมัยหนึ่งพระภิกษุเป็นพระกรรมาฐานเนี่ยไปเที่ยวทุ่งในปา่าไปได้ผ้ามาก็ฝากไว้กับพี่สาว บอกว่าเออพี่สาวถ้าว่าอาตมาผ้าขาดเมื่อไหร่อาตมาจะมาหาโยมพี่นะให้เก็บผ้าไว้ให้อาตมาด้วยพี่สาวก็รับเอาไว้พอจากนั้นท่านก็เดินทุดงไปแล้วกลับมาผ้าของท่านก็ชํารุดผ้าจีวรของท่านขาดเมื่อกี้น่ะท่านก็เลยไปรับเอาผ้าจากพี่สาวพี่สาวก็ท่านก็ให้เพราะท่านพี่สาวก็เก็บไปให้อยู่พอเก็บมาแล้วที่นี่ท่านก็เอามาหาพาระพเถระพระเถระในเป็นเจ้าของวัด เป็นเจ้าของคณะคือวัดป่าเชิตะวันมหาวิหารมีหลายคณะเนี่ะมีทั้งสิบแปดคณะหรืออะไรเนี่ยหลวงพ่อประจำไม่ถนัดแต่นี่ก็เข้าไปหาหัวหน้าคณะบอกว่ากระผมผ้าจีวอลชมรุดกระผมครับหัวหน้าคณะก็เลยเออประชุมเพราะว่าการตัดเย็บจีวรในครั้งนั้นเป็นเรื่องใหญ่เ อ, อท่านก่อประชุมหารือกันว่าเออเราจะจัดเย็บวันไหน พระเทระก็เป็นผู้ประกาศเออพระจีผ้าจีวรพระองค์นี้ท่านผ้าชํารุดแล้ววันพุ่งวันนั้นวันนี้นะให้พ่อพากันมาตัดเย็บผ้าจีวอนให้พระองค์นี้เพราะว่าการเย็บมันไม่มีมมจักเย็บผ้าเหมือนทุกวันนี่ต้องเย็บด้วยมือกว่าจะเย็บได้แต่ละตะเข็บเนี่ยแต่ละดูกเนี่เออแต่ละผืนเนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยเหมือนกันก็เลยลงแขกกันพระสงฆ์ตอนแรกลงแขกกันลงแขกเย็บผ้าเหมือนกัน มีเท่าไหร่ก็มาเรียงกันองค์ตัดก็ตัดองคเย็บก็เย็บองฤทธ์ก็ฤทธ์องคไหนที่พอเย็บได้ก็เย็บกันมานะพอเย็บจีวรเสร็จท่านก็ออกไปย้อมอแต่ว่าก่อนที่จะเย็บนะั่นพระองค์นี้ท่านก็มีพี่สาวใช่ไหมท่านก็ไปบอกพี่สาวเขาท่านว่าพี่ๆวันนี้พระสงฆ์ท่านเย็บผ้าจีวรให้อัตมานะพระน้องนะขอให้ยงพี่ เลี้ยงอาหารเลี้ยงเพน เ, เพื่อพระสงฆ์ด้วยท่านเย็บผ้าจีวรท่านเหนื่อย เ, อเพราะฉะนั้นขอให้คุณโยมพี่เลี้ยงอาหารเพนด้วยคือในพระพิในท่านบอกว่าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มาก อ, อาหารไม่พอฉันจีวรการการจีวร อ, อ, อันนี้ก็คือจีวรการการจีวรคือการเย็บผ้าให้แกเป็นพระ ท่านให้ฉันพระปรัมปราโภชนาได้คือฉันเพนได้ฮแต่นี้พี่สาวก็ยินดีก็จัดอาหารหวานคาวที่น้องไปขอท่านก็จัดมาอย่างดีว่างั้นเถอแต่นี้ก็น้องชายก็คงจะไปเที่ยวป่าเที่ยวลงมานานไม่ได้ทันอาหารสองมื้อท่านก็เลยซัดเอาเต็มที่วันนั้นว่างั้นเอะพราะอาหารพี่สาวก็พี่สาวคงจะรู้ว่าน้องน้องชายชอบอะไรลว่างั้นะ ท่านก็เลยจัดอาหารให้เต็มที่เลยท่านก็มาฉันชันอาหารเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปย้อมผ้าย้อมผ้าท่านเกิดมาโอ้ผ้าจีวรทูนเปลือดนี้ได้ถูกใจจริงๆสีก็ได้ขนาดก็ได้เป็นที่ถูกใจจากนั้นมาในคืนนั้นน่ะทีนี้พอจีวรเสร็จเรียบร้อยท่านก็อเออวันพรุ่งนี้เราคงจะได้คลองผ้าจีวรเือด น, นี้แหละถูกใจจริงๆผ้าจีวรเปลืนดนี่แต่พอตก ย่ำข้ามมาท่านก็ปวดท้องน่ะท่านนี่เออปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อขึ้นมาอย่างหนักอาหารเป็นพิษอย่างนั้นอะพอถึงตกเที่ยงคืนเข้ามาทนไม่ไหวเอออาหารมันแน่นจุกอืดขึ้นมาเลยหัวใจวายตายอย่างั้นเถอะก่อนที่ท่านจะตายท่านก็คิดแล้วท่านนี่โอ้เราจะตายจริงๆเหรือนี่จีวรของเราผืนนี้เป็นผืนจีวรถูกใจที่สุดเลย จ็ดใ จ, ใจมีแต่คิดถึงถึงผ้าจีวรเหมือนกัน่วงแต่ผ้าจีวรก็เลยตายในขณะที่ใจกําลังคิดห่วงหาอะไรในผ้าจีวร น, นั้นอยู่พอตายปุ๊บวิญญาณไปปฏิสนธิในผ้าจีวรทันทีเอใครเ้าว่ามันเกาะสิ่งไหนมันไปติดสิ่งนั้นเนเีมันไปเกาะอยู่ตรงผ้าจีวรผืนนั้นแหละ เ, เป็นตัวไหลตัวลายตัวเลนตัวเล็กๆไปเกาะอยู่ผ้าจีวร จากนั้นพอพวงนิช า, า, อาออกมาโอ้ยผ้าเอานั้นตายแล้วว่างั้นที่พวกเราเย็บผ้าจีบอนให้เพราะอาหารเป็นพิษเมื่อคืนเนี่ยว่างั้นตายแล้วพอพวงนิชามาเห็นว่าผ้าตายก็ไปเผาแหละในยุคสมัยนะั้นเขาไม่เอาไว้นานว่างั้นแต่พอองค์ไหนตายแล้วก็ไปเผาเลยเนี่ยประเทศอินเดียสมัยนั้นพอไปเผาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทีผ้าองค์นั้นก็เอาอยัางไงไอ้ที่ ที่ท่านเป็นตัวเลนอยู่ในผ้ากีวร์ทีนี้พระสงฆ์ก็เมื่อเผาเสร็จเรียบร้อยก็มีการประชุมหารือกันทีนี้คือตามปกติเวลาพระสงฆ์ตายเนี่ยพระองค์ไหนตายก็ตามเน่ย <c oughs> เขาจะรวมบริขารแปดของพระองค์นั้นมีบาทมีกีวรสังฆาติอะไรก็ตามเอาของใช้ของพระองค์นั้นมารวมกันพอมารวมกันเสร็จแล้วท่านก็ให้พระสงฆ์ที่เป็นผู้ดูแลอุปถาใกล้ชิดเลือกก่อน ท่านต้องการอันไหนบริขารของอาจารย์ของท่านอุปชาของท่านถ้าองค์นั้นเลือกแล้วจากนั้นองค์ที่เหลือก็อันนั้นทีนี้พระสงฆ์ก็เป็นอปรโรมแจกกันละทีนี่อันนี้ให้องค์นั้นอันนั้นให้องค์ น, น, น, น, งนี้ก็แจกแจกกันทีนี้เมื่อพระสงฆ์เอาบริขารมารวมกันไอเลนตัวนั้นละ่ะพระสงฆ์ก็หาเลือกกันอยู่เออ ใครที่จะสมควรที่จะได้ผ้าจีบอนสมควรที่จะได้บาทสมควรจะได้สบองจีบอลก็ว่ากันไปแต่ในตัวเลนตัวนั้นอะ่ะมันเป็นห่วงผ้าจีบอนะมันร้องมันร้องให้เออมันร้องขอความช่วยเหลือเออบอกโอ้ยผ้าพระเหล่านี้จะมากำลังมาแย่งผ้าจีบอลของข้าข้ายังห่วงอยู่ข้าไม่ให้เออข้าไม่ให้ข้ายังห่วงอยู่ข้าไม่ให้ คือจีคือเล่นตัวนั้นมันร้องนะใจมันร้องเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวเล่นเล่นตัวมันเล็กๆมันจะร้องได้มันจะเสียงได้ยินอะไรแต่ใจของเล่นอะมันใหญ่เหมือนกับคนธรรมดานใจมันใหญ่มันร้องพอมันร้องที่นี่พระพุทธเจ้าที่อยู่พระคันทกุวดีท่านก็ได้ยินบอกเออวิญญาณเล่นตัวนี้มันร้องวะพระองค์เนี่ยพระพุทธองค์อะไรบอกอาน o ์ไปสั่งระงับอย่าให้เขาแจก บริขารของพระองค์ที่ตายเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวเขากาลังจะประชุมกันอยู่กําลังจะแจกบริขารจะพึงจะให้เขาแจกนะให้งดได้ก่อนจนกว่าเราจะสั่งแล้วจึงค่อยแจกนะพระอินนท์ก็รีบไปไปก็ไปบอกเออพระบริขารที่ท่านกําลังจะแจกกันเนี่ยให้ระงับไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแจกแตอนนี้พระเขาก็เลยระงับเอาไว้ไม่แจกแต่นี่พอต่อมาอีกได้เจ็ดวัน พระพุทธองค์ก็สั่งพระอนนท์ว่าเอออนน์ไปแจกให้พระประชุมกันแล้วก็แจกผ้าจีวรแจกอัฐบริขารของพระองค์ที่ตายไปวันนั้นใช่ไหพระอนน์ก็ไปบอกพอไปบอกเสร็จแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็เอ๊ะทาไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้แจกแล้วทาไมให้แจกตัวเหตุอันใดหนอเนี่พระสงฆ์เหล่านั้นเมื่อแจกบริขารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าพพุทธองค์บอกว่า พระองค์นั้นตายเป็นตัวเลนอยู่ในผ้าจีวรเพราะนั้นพวกพวกท่านทั้งหลายประชุมกันเขาร้องเสีย อ, อกเสียใจว่าพระจะแย่งจีวรเขาเพราะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายแจกจีวรเมื่อในเขาไม่พอใจเขาจะโกรธให้แก่พวกท่านพอโกรธให้แกพวกท่านแล้วพอเขาตายจากเป็นเลนแล้วเขาจะตกนรกเพราะก็โกรธให้พระที่มีศีลที่บริสุทธิ์ เป็นบาปกรรมสําหรับปิญญาณของเขาแต่บัด น, นี้เขาเป็นตัวเลนอายุของเขาได้เจ็ดวันเขาตายแล้วเขาไปสู่สวรรค์แล้ว เ, เพราะฉะนั้นเราจึงให้พวกท่านทั้งหลายแจกผ้าจีวรนเพราะอันนี้สงสินอั น, นิี้สงภาวนาเขามีอยู่แต่ว่าความคล่องใจและความติดใจเรื่อวงความเป็นห่วงในใจจึงได้ไปไปเกิดเป็นตัวเลน นี่แหละมันก็เข้ากันได้กับที่หลวงปู่จามที่ท่านเอามาพูดนะที่ว่าหมักตัวหอยไปอยู่ในเจดีนะั่นน่ะเออตั้งสามสี่ห้าหกตัวทั้ง 3, 4, 5, ามางันนะเอออันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเออก่อนที่จะตายก่อนที่วิญญาณจะออกไปเนะ่ยอย่าไปห่วงหาอะไรใครทั้งหมดให้นึกถึงบุญกุศลที่ตั ว, ตวเองได้ทำตัวเองได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้ให้คิดถึงบุญกุศล เอว่าเราได้ทานยังไงรักษาศีลยังไงภาวนายังไงบุญกุศลมาช่วยผู้ฆ่าเด้อข้าวนี่เป็นขั้งมรณะสุดท้ายของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะต้องได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วต้องคิดทั้งบุญถึงกุศลเท่านั้นแต่เราไปคิดถึงลูกถึงหลานมันก็ค่อยยังชั่วนะเอ่ถ้าคิดถึงลูกถ้าไม่ได้เกิดกับลูกทํางไงเป็นห่วงเขาอีกไปเกิดเป็นหมาเอาไปเกิดเป็นตุ๊กแกไปเกิดเป็นหนูเฝ้าอยู่ในบ้าน ปเกิดเป็นมแมลงสงมแมลงสาบมันมีตังเยอะแยะไปที่จะเฝ้าอยู่ในบ้านเราต้องการไม่อย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายวิญญาณตัวนี้แหละสําคัญนะเพราะฉนั้นการสั่งสมบุญการให้ภาวนาเอาไว้เนี่ยที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะกระทาอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายวิญญาณนี่แหละไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้ เพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทคนเราเกิดมาเกิดมาชาติในสูงส่งแต่เกิดชาติหน้าอาจจะทำต้อยก็ได้เป็นหมูหมากาไก่ได้ทั้งนั้นเพราะจิตใจมันห่วงมันอะไรที่ทำบาปกรรมที่ในสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นตายแล้วเกิดอีกไม่เป็นอย่างอื่นในหลักของ พ, พุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านพาพิสูจน์มาแล้วออพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์ ทั้งพระพุทเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาทําไมจึงว่ามีปัญญาเพราะอย่างพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านคลองราชอายุยี่สิบเก้าปีคลองราชอยู่หลายปีเป็นพระเจ้าแผ่นดินจนเมื่ออายุยี่สิบเก้าปีวันแรกท่านไปเห็นคนแก่แต่ก่อนท่านไม่เคยเห็นคนแก่เพราะว่าพระเจ้าจุดโทเทนพระบิดาไม่ให้เห็น ให้เห็นแต่สิ่งที่พึงปาถนาหเห็นที่เป็นสิ่งที่ศีรษะล่ยหเห็นแต่สิ่งที่สวยงามไม่ให้เคยไม่เห็นคนแก่เพราะนั้นท่านวันนั้นท่านไปเสด็จไปสวนอุทยานไปเห็นคนแก่อผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวหลังค่อมถือไม่เท้าท่านก็ถามนายสารถีว่าอั น, นั้นคือใครเป็นใครเป็นคนหรือเป็นอะไร นายชัดถี่เขาบอกเป็นคนแก่เอาทำไมมันยังแก่นายสีชันถติก็อธิบายให้ฟังคนทุกคนก็ต้องแก่ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายง่ายต้องแก่อย่างนี้เ อ, อไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เพียงแค่นั้นศรัทธาท่านก็ทอประทายอย่างมากเลยว่างั้นะเออจากนั้นก็ไปเห็นคนเจ็บแล้วก็ไปเห็นคนตายอย่างที่ว่านี่แหละหลวงพ่อได้มาเปรียบเทียบให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่า ขนาดเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพียงครั้งเดียวสิทธิษฐายังสลดสังเวชใจอย่างมากเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านความคิดของท่านเหนือกว่าคนทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคนแก่ทุกวี่ทุกวันเห็นคนแก่มีด้วยเท่าไหร่ก็ยังไม่เบื่อยังไม่หน่ายเห็นคนเจ็บเ อ, อดิน้นผ่ า, ผ า, ผ า, ผาต่อหน้าต่อตาอันเลื่องเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพอมาถึงเรื่องของเราโอ้โหเจ็บขนาดนี้เหรออ่ายังค่อยรู้ ไปเห็นคนตายเผาแล้วเผาอีกเผากวาแล้วกว็าอีกมันก็ยังไม่เบื่อหน่ายแสดงว่าพวกเราเนี่ยกิเลสหนาขนาดไหน อ, อคิดดูก็แล้วกันเพราะพุทธเจ้าเห็นเพียงครั้งเดียวเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพวะพุทธเจ้าก็เบื่อหน่ายเสียสละโดดออกจากเวียงจากวังเลยว่า ง, งั้นเถอะแต่พวกเรายังกระต๊อบมีหมู่บ้านมีหลังคามีที่อยู่อาศัย เพียงขนาดนี้เงินคําทรัพย์สมบัติพวกเราจังหายากแสนยากอีกออปีเพียงพออยู่พอกินทําไร่ทํานาทุกอยาก่างลาบากถึงขนาดนี้พวกเราก็ยังเป็นห่วงหาอะไรในที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของตนเพราะพระเจ้าเป็นเวียงเป็นวังมีพร้อมหมดทุกอย่างพระพุทธองค์หนีจากเวียงจากวังเ อ, อเพื่อจะไปส่อแสวงหาทางที่ว่าจะไม่ตายจะไม่แก่ จะไม่เจ็บจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจึงได้หนีออกไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปปฏิบัติอยู่นู่นลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับวิทยาศาสตร์เขาทดลองสิ่งต่างๆนั่นทุกวันนี้เขาก่อนที่เขาจะได้ยามาแต่ล ะ, ะแขนงเนี่ยเออลองทบหนูลองกับกระต่ายลองกับอะไรมากตัวมากไม่รู้ว่าลองกับใครต่อใครเขาจึงได้ยา แต่และชิ้นมาจะได้มารักษาคนอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ไปทดลองอยู่ในป่าเพื่อจะได้ธรรมะมาส ก, กัดกิเลสให้ออกจากใจจะไม่ให้ใจเนี่ยไปปฏิสนธิไปหาไปเกิดอีกในภพภูมิต่างๆจะทำยังไงนี่แหละท่านไปทดลองอยู่ถึงหกปีวันเดือนหกเพนท่านจึงได้ ตัดสรู้ธรรมปุปเพนิวาส า, านุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้อาเพระฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วเกิดอีกอพระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วปุปเพนิวาส า, านุสติญาณถ้าว่าตายแล้วสูนย์พระพุทธเจ้าจะพิสูจน์ได้ยังไงเอชาติที่แล้วไม่มีอันนี้พระองค์บอกว่าชาติที่แล้วมีนะเอะต่อๆกันไปไอชาติแล้วชาติหน้าก็มีเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นพวกเรานับถือพระพุทธเจ้าต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าต้องทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วบาปอากุศลแล้วบาปอกุศลนั้นจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกท่านทั้งหลายและบาปอกุศลนั้นจะพาตกไปในทางตับอ่าไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าพวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ บุญกุศลจะเข้าเกือ้อกูลหนุนให้พวกเราท่านทั้งหลายไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นเพราะนั้นวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายนะได้มาสั่งสมบุญกุศลได้มายกยอดเจดีของคุณแม่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าอธิธาต์ประธาต์ของคุณแม่เป็นบุญเปีญกุศลอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศล เพราะนั้นการสั่งสมบุญกุศลในครั้งนี้หลวงพ่อว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจในการกระทําทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อบุญเชื่อกุศลเชื่อในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราก็จะเป็นบุญกุศลนานเท่านานแต่พร้อมกันก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติจิตภาวนา ถึงจะอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในสถานที่ใดพยายามฝึกหัดดัดนิสัยมาภาวนาหาที่แหล่งสงบหาที่สงบสงอนั่งภาวนาอย่างที่มาวัดคุณแม่เนี่ยเป็นแหล่งที่สําหรับโยมผู้หญิงทั้งหลายสําหรับวัดหลวงปู่ของเราเ็เป็นสําหรับที่บำเพ็ญของศรัทธาญาติโยมผู้ชายแะโยมผู้หญิงในหลวงพ่อวาเนี่ยพวกเราเป็น มีสถานที่ที่เหมาะมาปฏิบัติกันที่นี่แล้วก็มานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโใหายใจเข้าพุทพุทโทพุทโธเดินโยกรมถึงจะได้บ้างเสียบ้างก็ยังดีให้รู้จักได้รู้จักเสียต่อไปเราก็เมื่อเราพยายามทาอยู่เรื่อยๆอย่างคุณแม่จีแก้วของเราเป็นตัวอย่างเนี่ยนะท่านก็พยายามทาตรวจตราดูใจของท่านอยู่เสมอ จนใจของท่านได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะอันนี้ก็พวกเราท่านทั้งหลายก็พยายามภาวนาตั้งจิตให้สงบบริกรรมพุทโธพุทธโท ธ, โ ธ, โธออไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้สติอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรให้บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธ ให้จิตอยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองเวลาเราเดินเดินจย ก, กมกับขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโถอยู่กับการก้าวเดินของเราอันนี้ก็คือการปฏิบัติจิตภาวนาเมื่อเราภาวนาจิตสงบแล้วนั่นแหละทนายคนที่มีจิตใจจิตใจที่สงบและมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข จิตใจไม่กระวนกระวายไม่หิวไม่กระหายไม่ทุรนไม่ทุลายไม่ว้าเวไม่อ้างว้างแต่ถ้าหากว่าใจของเราคิดปรุงฟุ้งซ่านมากๆมันปวดหัวน ะ, ะแล้วก็เหนื่อยอีกต่างหากบางคนอยากจะนอนก็นอนไม่หลับอีกอย่างหลวงพ่อไปพบพี่น้องจังหวดัดทางเมืองอุบลเพราะว่าโอ้ทำยังไงหลวงพ่อนอนไม่หลับ แต่ไม่อยากจะคิดแต่มันคิดสรุปแล้วก็คือมันเคยคิดจนปุ่งฟุ้งซ่านจนห้ามไม่อยู่เรอหลวงพ่อเขาบอกว่าให้ภาวนาพุทโธพุทโธแต่เบอกว่าภาวนาพุทโธมันไม่อยู่กั้นกั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งใจจะขาดเข้าหลวงพ่อว่ามันก้มไม่ไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อก็บว่าเอ้าต้องคิดดูซิเราต้องทามันคิดอย่างนั้น เราก็ต้องใช้ปัญญาตลบปัญุดยซิใช้ปัญญาใช้ความคิดนี่นะใช้ความคิดแก้ความคิดแล้วกันะใช้ความคิดแก้ความคิดน่ะใช้ยังไงบ่ราว่าเราเห็นไหมเศรษฐีเมืองอุบลเนี่ยผู้ที่มั่งมีในเมืองอุบลเนี่ยเขามั่งมีสีสุขขนาดไหนพอถึงวันหนึ่งเขาตายไป เขาเอาเอาอะไรไปด้วยได้เขาทิ้งไว้ทั้งหมดทั้งสะแสวงหาทรัพย์เขาก็สะแสวงหาการอะแสวงหายศถาบรรดาศักด์การศึกษาของเขาก็สูงส่งแต่ผลในสุดทุกคนก็ได้มรณะบัตร อ, อได้มรณะบัตรอันนั้นคือ เป็นรางวัลชิ้นสุดท้ายของแต่ละคนถึงจะสูงส่งยุคทุกข์ยากอนาถาขนาดไหนก็เถอะผลที่สุดก็ได้ตัวนั้นได้มรณะบัตรเพราะนั้นเราทําไมจะไปคิดปรุงฟุ้งจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นตัวตนของเราเราจะไปทุกอะไรมากมายนักหนาอกระดูกของเราก็เอาไปด้วยไม่ได้ถึงข่าวนั้นแล้วเอาไปเผาไฟก็เห็นแต่อยู่ในกองนั้นแหละ เราเอาอะไรไปด้วยได้ทําไมเราจึงม่ตกกงังวลเราจึงไปคิดปรุงฟุ้งซ่านถึงขนาดนั้นถ้าเราคิดปรุงฟุ้งซ่านขนาดนั้นแสดงว่าเราเนี่ถึงจะคิดว่าตัวเองฉลาดขนาดไหนก็เอะมันคงโง่มหันเหมือนกันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอ่าให้รู้จักว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราทําให้ดีที่สุดในขณะเราจึงมีชีวิตอยู่ เราเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีที่สุดเราเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีที่สุดเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็เป็นครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นลูกเราก็เป็นลูกให้ดีดีที่สุดเท่าที่ดีได้ในเมื่อดีที่สุดแล้วก็จบเพียงแค่นั้นแต่การทำดีทุกอย่างนั้นเราเอาไปด้วยไปได้เหมือนกันทิ้งไปในโลกทั้งหมดเพราะนั้นให้ระ ล, ลึกถึงความตายไม่อยู่เสมอ มันจะได้ปล่อยมันจะได้วางมันจะไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะหันหน้าเข้าสู่ความสงบท่นี้ในเมื่อเราคิดปล่อยวางอย่างนั้นแล้วใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ท่นี้เออ ม, มืนระลึกถึงความตายเลยมันละนางเมผ่าวิสติข้าจะต้องตายแน่ๆไม่วันใดก็วันหนึ่งในอนาคตเนี่ยในเมื่อระลึกถึงความตายแล้วใจของเราจะ มันจะหันเข้าสู่ความคุณงามความดีแต่ถ้าหากว่าใจของเราไม่เลยลึกถึงความตายว่าตัวเองจะอยู่ช่วฟ้าดินสลายนะมันจะต้องป่งฟุ้งสัน้นอันนั้นกับของขา้าอันนี้กับของขา้าโมโหโทโโกธารักเกลียดโกรธใครมันจะอย่างสุดๆเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองจะไม่ตายแต่ถ้าคิดว่าตัวเองจะต้องตายแน่ๆอีกวันหนึ่งข้างหน้าเพราะนั้น เมื่อคิดอย่างนั้นได้แล้วใจของเราจะไม่โป่งฟุ้งซ่านออกไปจนเกินไปมันจะมีกรอบเออการทําสิ่งไหนก็ตามจะไปรักกับรักเขาทําไมมากมายนักหนาอีกสักวันหนึ่งเราเขากับเราก็คงจะตายจากกันอยู่แล้วจะไปโกรธอะไรนักหนาอีกสักวันหนึ่งเขาอาจะกับเราก็จะต้องตายจากกันอยู่แล้วเอออันนี้ถ้าาว่าคนระลึกถึงมรณะรุดสติว่าอยู่ในใจเขาคนนั้นจะมีเบลก อยู่ในจิตใจใจทำอะไรจะไม่ออกนอกลูก่นอกทางจนเกินไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พวกอุบาสกอุบาสิกาพิษุสมัมมณีนคตบริษัทของพระพุทธเจา้าให้และลึกถึงมรณะรุสติไว้อยู่เสมอจึงจะเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วก็หันหน้าต่อศีลและธรรมตอมรผลตอมนิพพานต่อความหลุดพน้น ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วมีแต่หมุกมุนหรือว่ามีความมุ่งหวังมีความตั้งมั่นอยากจะได้ทางโลกมาเป็นของตัวเองทั้งหมดแต่ตามไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้แล้วใครๆก็มุ่งหวังอย่างนั้นลหละแต่มันเป็นไปไม่ได้ผลที่สุดก็ได้แต่อย่างที่ว่านั้นนะถึงจะสร้างขนาดไหนก็ได้มรณะบัตรนั่นแหละที่เป็นของตัวเอง คนสุดท้ายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้หลวงพ่อเองก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราให้มุ่งมั่นต่อศีลธรรมต่อสมาธิธรร ม, ม, รรมพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึงโลกถึงธรรมพิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ให้เชื่อไว้ในใจว่า ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นคนที่ตายแล้วเกิดอีกต้องสั่งสมบุญเอาไว้อย่าประมาทถ้าประมาทแล้วเกิดพบหน้าชาติหน้าอาจจะตกต่ำเป็นตัวเลนตัวไลเป็นหมูหมากาไก่ถ้าทำความชั่วมากๆไปตกนรกไปเป็นเ ป, นเปลตอดอยากหิวหวยมีมากต่อมากที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกท่านที่ท่านมองเห็นด้วยตาทิพย์ หูทิพย์ของท่านจากพระพุทธเจ้าท่านได้ยินเสียงตัวเลนเนี่ยตัวเลน่นตัวเล็กๆทําไมร้องพระพุทธเจ้าจึงได้ยินเพราะพระพุทธเจ้าหูทิพย์วิญญาณร้องไม่ใช่ตัวเล่นร้องตัวเล่นมันจะมีปากร้องเสียงดังขนาดนั้นเหร อ, อวิญญาณร้องอหวยหวนขอว่าพระสงฆ์เราได้กาลังจะแย่งผ้าจีวรของข้าไปจากพระพุทธองค์ท่านรู้อย่างนั้นท่านจึงห้ามนะ เพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านท่านจะว่าไปแล้วยาณทัศนะของพระองค์เนี่ยเหมือนกับวิทยุที่คลื่นแรงแล้วว่เป็นแบรนที่ว่ารับคลื่นได้ดีที่สุดสูงส่งที่สุดถึงจะอยู่ในที่ไกลก็สามารถที่จะรับคลื่นได้มองเห็นได้ฟังเสียงได้เพราะว่าวิทยุของท่านดี อทางว่าวิทยุไม่ดีแนละ้วไม่รู้แล้วกันนะใจคิดเรื่องอะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยใครคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้ใจของปุ่งฟุ้งไปยังไงขณะ น, นี้หลวงพ่อกําลังพูดให้ฟังนี่คิดหรือเปล่าหรืออาจจะคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงสรรพสิง่งสิ่งของเสียอกเสียใจเรือ่องนี้อกในใจเอลึกโมโหโกธาให้ใครอยู่ก็ไม่รู้ เ, เพราะนั้น ในขณะที่ฟังเนี่ยใจของเราคิดไปทางไหนเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาฟังคำพูดแล้ ท, ทำมเทศนาของหลวงพ่อเนี่ยให้ตั้งอกตั้งใจดูใจของตนเองนะดูใจของตนเองว่าเราคิดในเรื่องอะไรในขณะที่ฟังนะไม่มีใครรู้ตัวของเรานะรู้ยิ่งกว่าใครอื่นทั้งหมดนะ เพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลภาวนาเอาไว้ชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เทียงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เผากันไหมเผากันแล้วเผาคนอีกเผากันแล้วเผาค น, นอีกเอเรียงลําดับกันมาไปเรื่อยเรื่อเรืยเืยืยเรียงคียวกันไปเรื่อยเรื่อเอมื่อวีซ่าตกมาเมื่ อ, อไหร่พวกเราก็รับวีซ่ากัน บินต่างประเทศรับวีซ่าบินต่างประเทศเไปเรื่อยๆอไปเลยหายเงียบไปเลยไปต่างประเทศละไม่กลับมาอีกมากลับมากับเป็นบินยานม า, าตัวส่วนร่างกายนะ่ะเผากันหมดไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันนะเผาผู้เท่ า, ผ, ทาผู้แก่มาไม่รู้ว่ากี่รุ่นแล้วว่างั้นเถอะเรียงลำดับกันมาอีกสักวันหนึ่งก็มาเจอของเราเข้าเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้มาก และกัวันนี้วันพุงนี้ก็พวกเราก็จะได้สัมสังสมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่วันหนึ่งเพราะว่าพระสงฆ์จะมาจากจาตุรทิศที่หลวงพ่อและคณะกรรมการนิมนต์มาเพื่อสวดมาเพื่อเป็นิริมงคลสําหรับหมู่บ้านของเราลูกหลานของเราได้ทําบุญทำทานจากนั้นพระสงฆ์จะได้สวดชัยมงคลคาถาเพื่อให้ เจดีย์ของคุณแมอ่อยู่นานเท่านานชั่วฟ้าดินสลายว่างั้นเถอให้อยู่นานเท่านาน เ, เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพราะพบรมสารีริกธาตุจะอยู่ข้างบนแล้วก็รูปของคุณแม่ก็จะอยู่ข้างล่างพวกเราก็ใครยังมีชีวิตอยู่ก็วกุนเวียนมากราบมาไหวเ้เพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับพวกเรานะ การพูดของหลวงพ่อในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับการเวลาขอหยุดการแสดงธรรมเพียงเท่านี้เอารับพทรที่นาอนุโมทนาให้พร